อใครจะคุยกับหลวงพ่อยกมือเลยนะนี่ยกก่อนอหนูไม่ได้มาตั้งนานแล้วนะคะสองสามเดือนถึงจะได้มากราบหลวงพ่อทีนึ่งการทำมันก็มีขึ้นขึ้นลงลงหนูก็เลยจะยกยกใหม่หนูก็เลยจะขอกราบเรียนถามหลวงพ่อว่าที่หนูทำอยู่ยังถูกต้องอยู่ใช่ไหมดีแล้วดูเลยเดียย๋ยวขี้เกียจก็แล้วกันก็แต่ว่ามันจะมีช่วงว่งมากเลยค่ะเวลาเดินจงกรมอะค่ะ ก็ง่วงแล้วก็จะนอนเลย ม, มันต้องดูนะว่ามันสมควรนอนก็นอนไม่ใช่ว่าต้องไม่นอนแต่ถ้ากิเลสมันชวนนอนอย่าไปเชื่อมันนะอีกหน่อยได้นอนนานไม่ต้องกลัวหรอกแต่ว่าที่ยังทําอยู่ก็ใช้ใช้ได้อย่างเงียนะดูถ้าเห็นกิเลสเกิบ่อยๆใช้ได้ก็หลัง พอดเอากันบ้านมาส่งนะค ะ, ะก็คราวที่จากคราวที่แล้วหลวงพ่อแนะให้ให้เริ่มดูว่าใจมันวิ่งไปได้เองใช่ไหมคะก็คิดว่าเริ่มสังเกตเห็นนะคะว่ามันเวลาเจออะไรเข้ามามันก็จะวิ่งปุ๊บไปวิ่งปุ๊บ <c oughs> ออไป <c oughs> ค่ะการนี้ก็เลยอยากจะให้หลวงพ่อแนะนํานิดนึงค่ะว่าต้องทํายังไงต่อหรือเปล่าอะไรอ่เงี้ยให้ดูเรื่อยๆไปนะแล้วสังเกต ด, ดูเวลามันวิ่งไปเนี่ยถ้าเรารู้ไม่ทันเนี่ยมันถึงจะเกิดกุศลนากุศลขึ้นมาใช ถ้ามันวิ่งไปแล้วเรารู้ทันนะก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยคำว่ารู้ทันนี่หมายความว่าส่วนใหญ่คือมันเกิดขึ้นแล้ว เ, เกิด ข, ข, ขึ้นแล้วแล้วค่อยรู้เอานะแต่ไม่ใช่เกิดไปนานแล้วนะ่าถึงจะไปรู้ อ, อย่างเมื่อวานนี้โกรธวันนี้รู้ย่งนีใช่ไม่ได้อืแต่ถ้ามันโกรธมาหนึ่งชั่วโมงแล้วยังไม่ทันหายนะเราลึกขึ้นได้ว่าโกรธอย่างนี้ใช่ได้อืมค่ะอยากให้หลวงพ่ออแนะนํานิดนึงค่ะว่าควรจะทําส ม, มะถะยังไงหรือเปล่าค่ะ เพราะว่าปกติเป็นคนทำงานค่อนข้างชั่วโมงยาวต่อวันนะคะถ้าทำชั่วโมงยาวแล้วงานนั้นต้องใช้ความคิดเนี่ยถ้าไปทำสมาธ ม, มันมักจะเคลิ้มเคลิมไปมันไม่มีแรงหรอกงั้นเราทาสมาะแบบหลับยากหน่อยสวดมนต์ไม่พลาดสวดมนต์นะสวดมนต์ไปแล้วเราก็คอยรู้ทันใจของเราไปส่วนวนแล้วใจแอบไปคิดเรื่องอื่นเรารู้ทันเลยสวดแล้วใจเราซึมซึมเผลอเลอเรารู้ทันเล ส่วนบนแล้วก็ดูใจไปได้ค่ะค่ะมีคำถามถามหลวงพ่อสองข้อนะคะข้อแรกก็คือว่าสังเกตใจตัวเองนะคะรู้ว่าเรายังไม่เป็นกลางกับความสุขและความทุกข์คือยังชอบความสุขแล้วก็เกลียดความทุกข์อยู่แต่มันก็เลยทำให้ขยันปฏิบัติเพราะมีความรู้สึกว่ามันยังไม่เป็นกลางแล้วทีนี้ก็คือก็คือ คือเหมือนกับว่าถ้าเราไม่ปฏิบัติเนี่ยถ้าถักมาเราก็จะวิ่งไปหาความสุขมันก็เลยทําให้ละมาดและอีกข้อนึงก็คือว่าคือมีความรู้สึกว่าบางครั้งถ้าปรับไปหลวงพ่อเคยสอนว่าให้มีฉันทะในการปฏิบัติก็คือให้ปฏิบัติด้วยความคือความฉันทะกับความปัญหาในการปฏิบัติเนี่ยมันต่างกันแต่บางครั้งเนี่ยปัญหามันก็เกิดขึ้นมาโดยที่เราก็ห้ามไม่ได้เพราะจิตใจมันบังคับไม่ได้ใช่ไหมคะก็จากที่เรียนกับหลวงพ่อก็พอ อะไรเกิดก็รู้ลงไปที่ใจเพราะว่าเวลาตันหาเกิดเนี่ยจะสังเกตว่าใจเนี่ยมันจะมีการจงใจไปทํากระทํากรรมบางอย่างเช่นไปคอยเพ่งเพื่อที่จะรู้ตัวได้นานๆแล้วพอเรารู้ทันมันมันก็ดับแต่ทีนี้อยากจะทราบว่าเนื่องจากว่าตันหามันอาจจะเกิดขึ้นได้เรื่อยๆวิธีการก็คือคอยรู้เท่าทันมันไปเรื่อยๆเหรอคะถ้าเรารู้ไม่ทันจิตก็แอบไปทํางานคือสร้างภพเมื่อจิตทํางานหรือสร้างภพขึ้นมาความทุกข์ก็เกิด นี้เราก็คอยรู้เป็นคราวๆไปในขั้นนี้เราก็จะเห็นว่าพอเรามีสติตันหาดับความทุกข์ก็ดับแต่ถ้าเราภาวนามากกว่านี้นะเราจะเห็นเลยว่าถ้าเมื่อไรเรารู้กายรู้ใจแจม่มแจ้งหรือเรารู้ทุกข์แจม่มแจ้งเนะี่ยตันหาจะไม่เกิดตอนนี้ยังเป็นขั้นที่ตันหายังเกิดอยูอ่ก็คือคอยรู้ลงไปเรื่อยๆรู้ลงไปเรื่อยๆแต่รู้สบายๆอย่าจริงจังเกิน ค่ะเพราะจริงจังเราจะชอบไปเพ่งมันใช่ถ้าจริงจังเราเพ่งถ้ารู้จักเผลอรู้จักเพ่งก็ใช้ได้แล้ว <c oughs> สิ่งที่ผิดมันสองอันนั่นแหละไม่เผลอก็เพ่งดูออกแล้วใช่ไหมค่ะ <c oughs> หลังจากเกือบสามปี <c oughs> คือมันแล้วแต่ดีกรีของความดื้อ น, นะ <c oughs> บางคนเรียนธรรมะด้วยใจที่เปิดเปิดรับสิ่งใหม่พ อ, อฟังแรับเดียวเข้าใจละ แล้วคําพูดของหลวงพ่อแต่ละคําแต่ละประโยคมันจะเข้าสู่ใจมันจะทราบซึ้งถึงอกถึงใจนะไปฟังธรรมะอย่างอื่นจะไม่อรเรธร่อยอีกต่อไปละจืดจืดไปหมดเลยแต่ถ้าใจเราปิดเนี่ยฟังยังไงก็ไม่รู้เรื่องใจปิดเช่นพอฟังหลวงพ่อบอกอย่างนี้ก็คิดเปรียบเทียบเลยอาจารย์นั้นว่าอย่างนี้เจียนนี้ว่างนวลนะหลวงพ่อว่าอย่างนี้หลวงแม่ว่างนวลนะเอคิดไปเรื่อยๆ หรือไม่ใช่นะ่ะเออใช่หรือไม่ใช่นะเรื่องมากคิดมากใจมันไม่ยอมรับบางคนไปฟังพระพุทธเจ้าเทศน์ก็รับอะไรไม่ได้เหมือนกันบางคนไปฟังพระเจ้าเทศน์ก็รับได้คนที่รับได้จริงๆมีน้อยนะศา ส, สนาอื่นเขาก็ยิ่งใหญ่ไม่ใช่ศาสนาพุทธยิ่งใหญ่คนเดียวศา ส, สนาพุทธก็เป็นหนึ่งในหกศาสนาใหญ่ๆหนึ่งในเจ็ดมันมีเจ้ารัตที่เดิม เจ้าสำนักใหญ่อยู่หกลัตที่ละพระเจ้าขึ้นมานี่ไม่ได้ทําให้ลัตที่อื่นล่มลงไปเขาก็ยังอยู่ของเขาได้อย่างอาจารย์สัญชัยปริพาชกพวกนี้พวกนักปรัชญาสํานักปริพาชกนี่พวกนักปรัชญาชอบถกเถียงใช้เหตุใช้ผลใช้ตรร ก, กะเขาเรียนนะเรียนตรรกวิทยาพระเจ้าถึงสอนในกาลามาสูตรว่าอย่าเชื่อตรร ก, กะเนี่ยภาษาริบุตรก็เคยเป็นลูกศิษย์เขา ตามพระสารีบุตรได้เป็นโสดาบันแล้วไปชวนอาจารย์สัญชัยไปฟังธรรมของพระพุทธเจ้าอาจารย์สัญชัยไม่ไปชวนยังไงก็ไม่ไปบอกตัวเองใหญ่แล้วเรื่องอะไรต้องไปเป็นลูกศิษย์ไปเป็นสาวกรุ่นหลังอีกพระสารีบุตรเศร้าซีแก่แกก็เลยถามพระสารีบุตรบอกในโลกนี้คนโง่หรือคนฉลาดมากกว่ากันพระสารีบุตรบอกคนโง่มากอาจารย์สัญชัยบอกถ้าเพราะฉะนั้นคนฉลาดเนี่ยจะไปหาพระสมณะขดม คนโง่จำนวนมากจะมาหาเรานี่เอามวลชนนะเอาแมสส์งั้นจริงๆคนที่จะเข้าถึงาศาสนาพุทธจริงๆมีไม่มากหรอกเพราะศาสาศนาพุทธเป็นาศาสนาที่ให้พึ่งตัวเองคนส่วนมากจะไม่พึ่งตัวเองอะเพราะเราเคยชินตอนเล็กๆเราก็พึ่งพ่อพึ่งแม่ใช่ไหมต่อมาก็พึ่งอาจารย์พึ่งครูพึ่งเพื่อนเนย บางคนก็พึ่งเมียนะอย่างนี้ผู้หญิงเดี๋ยวนี้ผู้หญิงแข็งแรงกว่าผู้ชายเยอะบางคนหลายบ้านผู้ผู้ชายเลี้ยงลูกก็มีนะผู้หญิงไปทำงานทำงานได้เก่งอันนี้แล้วแต่ละครอบครัวไม่เหมือนกันเนี่ยคนมันต่างๆนานานะไม่ใช่คนจะเข้าใจศาสนาพุทธได้ทุกคนหรอกคนส่วนมากไม่ชอบพึ่งตัวเองศา ส, สนาพุทธให้พึ่งตัวเอง ศา ส, สนาพุทธให้ใช้เหตุผลไม่ใช่เพื่องตัวเองแบบวัวแบบควายเอาแรงเข้าแลกสอนให้ใช้สติสอนให้ใช้ปัญญาสติเราก็ไม่รู้จักปัญญาเราก็ไม่มีเราไปคิดว่าความฟุ้งซ่านคือปัญญาเราคิดว่าการคิดคิ ด, ค, ดคิดเานั้นแหละปัญญาปัญญาจริงๆไม่ได้เกิดจากการคิดเอาเองไม่ได้เกิดจากการฟังการอ่าน อันนั้นมันปัญญาของคนอื่นปัญญาจากการฟังการอ่าน่ะมันความรู้ของคนอื่นไม่ใช่ของเราปัญญาจากการคิดก็ไม่ใช่ปัญญามคิดเอาเองคิดถูกก็ได้คิดผิดก็ได้แล้วส่วนมากชอบคิดผิดเพราะโดยพื้นฐานเราจะมีมีทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิครอบงำคิดยังไงก็มกักจะผิดนะครูบาอาจารย์สอนอย่างนี้ว้จาไปอีกอย่างนะมีนะบางคนมาฟังหลวงพ่อ หลวงพ่อบอกพระโสดาบันละสักยัติทิฐิได้นะพระนาคาพระราหันเนี่ยลกความยึดถือได้ละอุปาทานพระโสดาเห็นว่ากายกับใจไม่ใช่เราพระราหันไม่ยึดถือกายไม่ยึดถือใจเนี่ยเอาไปเล่าเพื่อนต่อยนะหลวงพ่อสอนว่าพระโสดาบันเห็นว่ากายไม่ใช่เราขั้นสูงสูงขึ้นไปถึงจะไปละอย่างอื่นว่าไม่ใช่เราอะไรเงี้ยเนี่ยใจใจมันทรงธรรมมากไว้ไม่ได้ แเราอย่าไปเชื่อความคิดนะศาสนาพูดสอนวิธีหาความรู้ด้วยการเข้าไปสังเกตการทําตัวเป็นผู้สังเกตการเป็นอ b เ e r v e r เท่านั้นเป็นผู้สังเกตการเข้าไปดูของจริงๆว่าจริงๆเป็นยังไงนะสังเกตการอย่างสังเกตกายของเรากายเป็นยังไงสังเกตใจใจเป็นยังไงสังเกตไปเรื่อยตามดูไปเรื่อยว่าจริงๆเขาเป็นยังไงในที่สุดก็เห็นความจริงของเขานี่เรียกว่าปัญญานะเห็นความจริง คนส่วนใหญ่ไม่ได้มีปัญญาคนส่วนใหญ่ไม่อดทนที่จะตามสังเกตโดยเฉพาะตัวเองเป็นสิ่งที่สนใจน้อยที่สุดมันเป็นปมด้อยของมนุษย์นะเป็นจุดอ่อนอย่างร้ายการเลยเรารักตัวเองที่สุดนะแต่เราสนใจตัวเองน้อยที่สุดเลยใช่มดูเราก็ต้องดูสาวไว้ก่อนใช่ไหก่อนจะดูหน้าตัวเองฟังเราก็ฟังคนอื่นคิดเราก็ชอบคิดเรื่องคนอื่นสนใจคนอื่น พึ่งก็จะไปพึ่งคนอื่นมันเป็นจุดอ่อนนะเพราะฉะนั้นคนที่จะห้าวหาญมาเป็นชาวพุทธแท้ๆกล้าลุกขึ้นมาเผชิญความจริงในกายในใจกล้ามารู้ทุกเนี่ยหายากคนทั่วๆไปไม่ได้อยากรู้ทุกคนทั่วๆไปอยากจะพ้นทุกอยากจะไม่ให้มีความทุกไม่ได้อยากรู้ทุกนะ พระพุทเจ้าสอนให้รู้ทุกทุกอยู่ที่ไหนรู้ลงไปที่นั่นทุกอยู่ในกายรู้ลงในกายทุกอยู่ในใจรู้ลงในใจคนทั่วๆไปอยากละทุกทําไงจะไม่ทุกไม่ได้อยากรู้อยากละทุกก็ดิ้นดิ้นดิ้นดินตลอดเวลานะยิ่งดิ้นยิ่งทุกยิ่งทุกก็ยิ่งดิ้นเนี่ยสังสารวัตรวนอยู่อย่างนี้เองนะยิ่งดิ้นไปก็ยิ่งทุกข์ขึ้นมายิ่งทุกข์แล้วก็ยิ่งดิ้นใหญ่หาทางจะพ้นทุกข์มีแต่คําสอนของพระพุทธเจ้านะที่กล้าหาญมากเลยสอนให้เรากล้าหาญ ความทุกข์อยู่ที่กายรู้ลงในกายความทุกข์อยู่ที่จิตใจรู้ลงในจิตใจตัวเองรู้ไปเรื่อยเรืรู้จนเห็นความจริงของกายของใจกายนี้ทุกล้วนล้วนเลยกายนี้ยังไงก็ทุกข์จิตใจถ้าเบื้องต้นปัญญาเบื้องต้นก็แค่เห็นว่าจิตใจเนี่ยถ้ามีความอยากขึ้นมามีการดิ้นรนขึ้นมาจะมีความทุกข์ถ้าจิตใจไม่มีความอยากไม่มีความดิ้นรนจะไม่มีความทุกข์พวกเราที่ภาวนาเราจะเห็นตรงนี้นี่ยังไม่เรียกว่าเห็นอริยสัจนะ เพราะว่าจิตยังมีสองชนิดจิตที่มีสุขกับจิตที่มีทุกข์อยู่จิตที่มีกิเลสตัณหามีอุปาทานมีภพมีความปรุงแต่งมันเป็นทุกข์จิตที่มีสติมีปัญญาไม่ทุกข์นี่เรียกว่าไม่รู้ทุกข์ถ้ารู้ทุกข์แจ่มแจ้งก็จะเห็นจิตทุกชนิดนั่นแหละเป็นทุกข์จิตเป็นตัวทุกข์โดยตัวของมันเองถ้าเห็นว่าจิตเป็นทุกข์ล้วนๆนะมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยจิตถึงจะปล่อยวางความยึดถือจิตได้ยากที่สุดเลยที่จะเห็นอย่างนี้ เพาเราภาวนาพอจิตใจเราสงบจิตใจเราสบายรู้สึกไหมมีความสุขขึ้นมาเราก็จะรู้สึกว่าถ้าฉันภาวนาดีฉันจะมีความสุขถ้าฉันมีสติมีสมาธิมีปัญญาแล้วฉันจะมีความสุขจิตยังมีทางเลือกมีจิตที่สุขก็มีจิตที่ทุกปล่อยวางไม่ได้จะเลือกเอาสุขจะเลือกที่จะหนีความทุกข์นะแต่ถ้าปัญญาแก่รอบจริงๆนะจิตนี้ทุกข์ล้วนๆเหมือนที่เห็นว่ากายนี้ทุกข์ล้วนๆมันจะปล่อยวางความยึดถือจิต อย่างตอนที่เราเห็นว่ากายเป็นทุกข์ล้วนๆเนี่ยมันจะหมดความยึดถือกายถ้าเห็นจิตเป็นทุกข์ล้วนๆก็หมดความยึดถือจิตการที่เห็นกายเห็นจิตเป็นทุกข์ล้วนๆนี่แหละเรียกว่าทุกขสัตว์ละทุกขให้รู้รู้ความจริงของกายของใจว่ามันเป็นทุกข์ล้วนๆพอรู้แล้วเกิดอะไรขึ้นรู้แล้วไม่ยึดถือมันละปล่อยวางพอปล่อยวางแล้วตัณหาจะเกิดอีกไม่ได้เด็ดขาดเลยตัณหาเกิดขึ้นมาเพราะมันอยากให้กายนี้ใจนี้มีความสุข อยากให้กายนี้ใจนี้พ้นทุกข์มันแค่นี้เองมันหลอกเราแค่นี้เองอย่างเราอยากดูหนังฟังเพลงถามว่าดูเพื่ออะไรไหมดูเพื่อให้มีความสุขหรือเพื่อหนีความทุกข์กลุ้มใจไปกินเหล้าเพื่ออะไรเพื่อจะหนีความทุกข์ไปทัศนาจรเพื่ออะไรเพื่อให้มีความสุขมห็นไมวิ่งหาอยู่แค่นี้แล้วถูกหลอกอยู่แค่นี้เราก็พลาดพลทั้งชาตินะชาติเดียวไม่พอให้พลาดนะพลาดพลาดข้าพบพข้ามชาติไปเรื่อย มีแต่พระทีเจ้าอาสอนให้เรามาดูมันดูจนเห็นว่ามันทุกข์ล้วนๆล้วก็วางพอวางแล้วหมดความอยากที่จะให้มันสุขหมดความอยากที่จะให้มันพ้นทุกข์เลยทันทีที่หมดความอยากจิตจะไม่ได้นนิกต่อไปละไม่ต้องระวังไม่ต้องรักษาอีกเลยนะมันไม่เหมือนการภาวนาในขั้นที่มีสติตามรู้อย่างพวกเราตอนนี้มีสติตามรู้ไปพอจิตมีสติทีหนึ่งก็ก็พ้นออกมาทีหนึ่งสบายทีหนึ่งใช่ไหมเดี๋ยวก็ปรุงใหม่ แต่ถ้าเมื่อไรหมดอวิชชาเข้าใจความเป็นจริงของกายของใจแจ่มแจ้งเนี่ยตันหาจะไม่เกิดอีกแล้วไม่ต้องระวังรักษานะไม่เกิดเองเลยทั้งวันทั้งคืนไม่เกิดอีกเลยความอยากใดๆจะไม่มาครอบงำจิตได้อีกเลยไม่มีอะไรปรุงแต่งจิตได้อีกเลยมันจะมีแต่ความสุขล้วนๆเลยทั้งวันทั้งคืนเป็นอิสระภาพที่แท้จริงนะพวกเราไม่มีอิสระภาพพวกเรามีเจ้านายลึกลับคือตันหาสั่งให้ทางานทั้งวันทั้งคืน เดี๋ยวสั่งให้ดูสั่งให้ฟังสั่งให้คิดสั่งให้ภาวนาสั่งให้ไปวัดสั่งให้ทะเลาะกันสั่งให้ตีกันสั่งให้รักกันถูกสั่งทั้งวันทั้งคืนไม่เคยมีอิสรภาพเลยนะถ้าเราดูเข้ามาจนถึงจิตถึงใจเราวันนึงเราปัญญาเราแทงทะลุลงไปถึงจิตถึงใจจริงๆปล่อยลงไปนะปล่อยวางได้ไม่หยิบฉวยขึ้นมาอีกนะมันมีอิสรภาพที่แท้จริงเกิดขึ้น จะเ จ, เจอพระอิสวนตัวจริงผู้ยิ่งใหญ่ใจที่มันพ้นนั่นเองพ้นจากกิเลสตันหาครอบงําใจที่มันเป็นอิสระเป็นใหญ่ในตัวเองนจิตมันใหญ่แต่ไม่ได้ใหญ่ด้วยมานะอัตตานะมันใหญ่เพราะความไม่ถือมั่นถือมั่นอะไรทั้งปวงจิตกว้างขวางเต็มโลกธาตุจิตของเราแคบแคบ จิตของเรามีจุดมีดวงมีที่ตั้งรู้สึกไหมวิ่งไปวิ่งมาได้ตัวเล็กๆเดี๋ยวก็วิ่งไปทางนี้ตัวเดี๋ยววิ่งไปทางนี้นะวันที่ปล่อยวางจิตเนี่ยมันจะไม่วิ่งแล้วไม่มีที่ให้วิ่งเพราะมันเต็มโลกาธาตุเลยแะมันไม่ต้องวิ่งไปวิ่งมาแล้วถึงไหนมันก็ถึงเลยจิตกะระทำมันจะเป็นอันเดียวกันะจิตกระทำมันจะเป็นอันเดียวกันของเราตอนนี้จิตกะระทำเป็นโคราชกันเราไม่อยากเอาธรรมะด้วย เราอยากได้อาธรรมนะเราอยากได้ของโกหกหลอกลวงของจริงคือกายนี้ใจนี้ไม่เที่ยงกายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเราเราไม่อยากได้หรอกเราอยากได้ของไม่จริงเราอยากได้ความสุขถาวร อ, อยากได้ของเที่ยงอยากได้ความสุขด้วยนะสุขต้องถาวรด้วยสุขธรรมดาก็ไม่ได้ลงสุขถาวรทีมันเบื่อตายเลยจิตมันมีกิเลสไม่มีจริงเลยจริงไม่โย บางทีนะคิดว่าถ้าได้สิ่งนี้มาหรือได้อยู่กับคนนี้จะมีความสุขน ะ, ะเพออยู่จริงๆก็งั้นๆน่ะแต่ว่าเรื่องนี้ต้องถามกันรับหลังเป็นมารยาทที่ผู้ชายเ็จะไม่พูดต่อหน้าภรรยาคือแต่ละคนนะมันจะหวังอะไรหลมๆแรงๆหลอกลวงตัวเองไปเรื่อยๆอย่างผู้หญิงอ่ะมีแฟนนะหวังว่าวันหนึ่งเนี่ยจะเห็นผู้หญิงมันจะที่เราแวงที่เราหวังจะสังเกตเห็น เห็นผู้ชายมีนิสัยที่ไม่ดีหลายข้อแต่ผู้หญิงจะมีความโง่อย่างจะหวังว่าถ้าแต่งงานแล้วจะไปเปลี่ยนแปลงเขาได้แต่พอแต่งแล้วจะพบว่าไม่ได้หรอกเนี่ยผู้หญิงอยากให้ผู้ชายเปลี่ยนแปลงนะแล้วทำให้สำเร็จผู้ชายก่อนแต่งเนี่ยจะดูแต่ผู้หญิงนี่มันดีทุกอย่างเลยเพราะผู้ชายมันตาบอดมากกว่าผู้หญิงผู้ชายจะหวังว่าผู้หญิงจะไม่เปลี่ยนแปลงแล้วมันก็โง่อีกเหมือนกันนะ พว่าผู้หญิงก็เปลี่ยนแปลงรวดเร็วมากเลยนะนี่เราไปคาดหวังอะไรนะที่มันไม่ใช่ของจริงอของจริงก็คือกายนี้ใจนี้ไม่เที่ยงกายนี้ใจนี้เป็นทุกข์กายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวเราเพราะร่างกายเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุเป็นธาตุดินน้ำไฟลมมาประกอบกันชั่วครั้งชั่วคราวมีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกตลอดเวลาจิตใจไม่ใช่ตัวเราเพราะเราบังคับมันไม่ได้ มันไม่ใช่ตัวเราในคนละมุมกันมุมที่เด่นชัดของความเป็นอนัตตาของกายและใจมันเหลื่อมกันนิดหนึ่งไายนี้มันไม่ใช่เรามันเห็นชัดๆมันวัตถุส่วนจิตใจนะั้นบังคับมันไม่ได้สั่งให้สุขลูกเดียวก็ไม่ได้นะห้ามทุกข์ก็ไม่ได้สั่งให้ดีก็ไม่ได้ห้ามชั่วก็ไม่ได้ทําอะไรไม่ได้สักอย่างนี่ดูลงไปนะจนเห็นใจรักษณ์ยอมรับความจริงในกายในใจกายนี้ใจนี้ทุกข์ล้วนๆนะมีแต่ความไม่เที่ยงมีแต่ความทุกข์ มีแต่การบังคับไม่ได้มีแต่ของไม่ใช่เราในใจยอมรับตรงนี้ใจก็เข้าถึงธรรมะธรรมะคือความจริงเท่านั้นแหละธรรมะไม่ใช่เรื่องประหลาดเลยนะแต่ถ้าเรายอมรับความจริงได้เราจะมีความสุขคนส่วนใหญ่ไม่ยอมรับความจริงชอบหลอกตัวเองเบื้องต้นหลอกตัวเองก่อนแล้วก็ถัดจากนั้นไปหลอกคนอื่น เช่นหนุ่มๆจะไปจีบสาวแล้วไปบอกสาวโอ้รักคุณที่สุดในโลกเลยนี่สัมนวนโบราณนะสมัยนี้ไม่รู้เขาใช้สัมนวนยังไงะที่จริงแล้วไม่มีไม่มีใครรักใครที่สุดในโลกเพราะคนที่เรารักที่สุดในโลกคือตัวเราเองเพราะงั้นหนุ่มคนไหนมาบอกเราว่ารักเราที่สุดในโลกนะชี้หน้ามันไปมันโกหกอย่างน้อยถึงไม่คิดจะโกหกมันก็ดูจิตตัวเองไม่เป็นนะ ภาวนานะภาวนาไปแล้วมีความสุขมีความสุขอัศจรรย์อัศจรรย์ที่สุดเลยนั่งฟังธรรมะสังเกตไหมจิตใจมีความสุขรู้สึกไหมธรรมะที่หลวงพ่อถ่ายทอดให้นะั้นถ่ายทอดด้วยหัวใจเลยนะไม่ใช่ถ่ายทอดด้วยปากถ่ายทอดด้วยใจถ้าใจเราเปิดรับเราจะสัมผัสกับธรรมะทันทีเลยจิตเราจะรู้จิตเราจะตื่นจิตเราจะเบิกบานจิตเราสงบมีความสุข ข, ขึ้นมาฉับพลันนั้นเลย แล้วเราก็จะมีกำลังที่จะคอยรู้กายมีกำลังคอยรู้ใจของตัวเองสังเกตไม้มใจขนาดนี้เริ่มนิ่งแล้วรู้สึกไหมเริ่มนิ่งเมื่อกี้มีความสุขใช่ไหมตอนนี้เริ่มนิ่งดูออกไหมเนี่ยเริ่มคิดฟุ้งซ่านแล้วดูออกไหมเริ่มพยายามดูพยายามดูพยายามสังเกตเดี๋ยว น, นี้ต้องพาดูเป็นกลุ่มๆอย่างนี้ละดูทีละคนไม่ไหวเยอะเกิน ตอนนี้ภาวนาด้วยกันดูลมหายใจค่ะท่านแล้วก็บางครั้งพอดูลมไปเราจะเริ่มรู้สึกเหนื่อยก็จะเริ่มมีการพลิกแแลงว่าให้ให้ภาวนาท่านอนช่วงแรกๆเนี่ยจะรู้สึกว่าจะเห็นจิตได้ดีมากเลยค่ะท่านมันก็จะเลยไปเป็นความเคยชินว่าเรานั่งภาวนาเสร็จแล้วเราจะนอนพอตอนหลังเราเริ่มฉุกใจว่ามันเป็นกิเลส ต, ตัวใหม่ที่มาหลอกเราว่าเวลาท่านอนเนี่ยเราจะเห็นจิตได้ดีตอนนี้ก็เลยคิดว่าไม่นอนแล้วค่ะจะเดินจงกรม ก็เลยรู้สึกว่าเออกิเลสนี่มันมาหลายรูปแบบบางครั้งมันมาในแง่ที่หลอกให้เราว่าเราทำแล้วอย่างงี้ดีค่ะกเิเลสหวังดีงดกิเลสมาในมาของผู้หวังดีนะเช่นกินข้าวเย็นเถอะนะจะได้มีกําลังน ะ, นะเดี๋ยวเป็นโรคกระเพาะไปจะอายุสั้นภาวนาไม่ถึงที่สุด น, นอนเถอะนอนนะถ้าไม่ยอมนอนเลยเดินลูกเดียวเนี่ยเขาเรียกอัตตะกิลมัทฐานุโยก แม่มันสอนดีนะอสอนได้เด็ดขาดมากเลยเวลานอนภาวนานะตามสติสติมันมีคนที่ประสบความสําเร็จเหมือนกันแต่น้อยที่สุดเป็นอิริยบทที่ประสบความสําเร็จน้อยเพราะงั้นเราต้องใจเข้มแข็งนะถ้ายังไม่ถึงเวลานอนเนี่ยเพิ่งไปรีบนอ น, นถ้าเวลามันอยากนั่งนั่งนะเวลามันอยากเดินเดินแต่เวลามันอยากนอน น, นั่งไว้หรือไม่ก็เดินไว้อย่าไปให้มันหลอก ถ้านอนเขาไม่เรียกว่าภาวนาเขาเรียกภาวนอนเวลานั่งเนี่ยจะมีภาวะหนึ่งบางครั้งจิตรวมแล้วแล้วเรามองลงไปตัวหายไปเลยแต่เรารู้รู้อยู่ที่ลมอะค่ะไม่ทราบว่ามันเป็นสมถะหรือเป็นอะไรที่ทำอยู่มันยังเพ่งอยู่ใจยังนิ่งนิ่งแข็งแข็งอยู่รู้สึกไหมมีอยู่นิ่งนิ่งอยู่ตัวหนึ่งนั่นแหละเลิกซะตัวนั้นแะทาให้เดินปัญญาต่อไม่ได้ เราภาวนาไปเสร็จแล้วมันมีตัวหนึ่งนิ่งคงที่อยู่เราจะเห็นของอื่นไม่เที่ยงเห็นของอื่นเป็นทุกข์เห็นของอื่นเป็นอนัตตาแต่ไอ้ตัวที่นิ่งนี่เที่ยงแถมเป็นสุขด้วยแถมรู้สึกว่าเป็นตัวเราด้วยเราบังคับได้เพราะงั้นสมถะถ้าเดินไปแล้วขาดสติปัญญากากับนั้นมันจะเกิดความหลงผิดว่าจิตเป็นตัวเราเราบังคับได้คนไหนมันฟุ้งซ่าน มันแก้ไม่ตกเนี่ยเพราะมันไม่เก่งแต่เราเก่งพอฟุ้งซ่านขึ้นมาเราหายใจสองจีก็สงบละหรือเราฟุ้งซ่านหนอทีเดียวก็สงบละกูเก่งกูเก่งนะสุดท้ายมันจะเปลงล็อกนั้นเพราะฉะนั้นถ้ายังมีไอ้ตัวหนึ่งนิ่งอยู่เนี่ยให้รู้ทันมันไปยังประคองไว้ยังประคองไว้รู้สึกไหมมันนิ่งคงที่ไว้ตัวหนึ่งเลิกซะใจถึงถึงนะตัวเนี้ยมันเหมือน แล้วกาะหลักไว้อันหนึ่งเด็กอย่างว่ายน้ําไม่เป็นสมัยโบราณผู้ใหญ่ฝึกเด็กให้ว่ายน้ําเนี่ยวิธีฝึกคือจับโยนลงน้ํานะไม่ได้พาไปเข้าคอร์สจับโฟมตีไปตีมาอย่างเงี้ยนะจับโยนลงไปในน้ำํำถ้าเราไปเจอไม้อะไรปักอยู่ในน้ําักท่อนเราต้องเกาะให้แน่นไว้เลยเพราะฉะนั้นชาตินี้ว่ายน้ําไม่เป็นหรอกงั้นเวลาที่เขาหัดให้เด็กว่ายน้ําสมัยก่อนนะเก็บของที่เด็กจะเกาะออกไปเกลี้ยงเลยนะจับโยนตุ้มแป๊บเดียวก็เป็นละ ันั้นอย่าปีกเกาะหลักอันนี้ไวนะ้เว้นแต่ว่าจิตใจของเราฟุ้งซ่านต้องการพักผ่อนทําความสงบทําความสงบลงนิ่มๆสบายๆนะมันจะไม่มีหลักที่แข็งๆเทื่อๆ อ, อ, อันนี้อยู่แต่จิตจะรวมอย่างสบายนุ่มนวลนนะไม่ใช่รวมแบบแข็งๆเนะี่ยหลวงพ่อทําหน้าให้ดูนะนะจิตจะไปตรึงไว้อย่างเงี้ยตรึงมันไม่มีความสุข ใครจะคุยเชิญยกมื อ, อเบอร์สามยกมือไวน่าจะไปเป็นสอสอได้ยกมือก่อนนะท่านประธานขอเวลาหน่อยผมยังนึกไม่ออกจะคุยเรื่องอะไรนะะว่างไงคือว่าตอนนี้กำลังเริ่มทำอะค่ะปกติทำแล้วไม่ค่อยได้็สมน้ำหน้า <laughs> หลวงพ่อไม่ได้ให้ทำนอให้ดูเอา ทำอะไรล่ะฮะหนูไปทําอะไรก็ดูอะค่ะดูอะไรล่ะเห็นอะไรบ้างวันวันหนึ่งเห็นกิเลสไหมเห็นน้อยค่ะแแล้วล้วหนูเห็นอะไรมันก็คิดค่ะเออถ้างั้นเราคิดปล่อยวันวันึงคิดเยอะดูออกไหมงั้นให้กันบ้านต่อไปนี้ถ้าใจหลงไปคิดนะให้รู้ว่าใจเราแอบไปคิดแล้วไม่ใช่รู้เรื่องที่คิดนะ ให้รู้ว่ามันแอบไปคิดฝึกแค่นี้พอละเนี่ยแอบไปคิดละรู้สึกไหมอา้าวอย่างนี้ยังดูไม่เป็นนี่เนี่ ย, ยใจหนีไปอีกละรู้สึกไหมไม่รู้สึกคะ่ะไม่รู้สึกเหรอแล้วรู้สึกอะไรล่ะเอา้าตื่นเต้นคะ่ะเออรู้ว่าตื่นเต้นใช้ได้ตื่นเต้นเป็นอารมณ์ที่เด่นตื่นเต้นให้รู้ว่าตื่นเต้นนะ อย่าไปอยากหายตื่นเต้นให้รู้ว่าตื่นเต้นดีแล้วฝึกไว้แต่เด็กๆนะอีกหน่อยก็เก่งคนแก่เรียนยากนะเด็กเรียนง่ายเ <c oughs> <c oughs> นี่ยพวกแก่ๆก็กระเทือนใจหน่อยนะมันเป็นความจริงคืออายุถึงห้าสิบแล้วภาวนาลำบากลนะร่างกายมันเริ่มสุดโซมจิตใจมันก็เริ่มไม่แข็งแกร่งเท่าเดิมนั่งภาวนาไปเดี๋ยวเดียวก็ชักจะเคลิ้มเคลิมลนะ งั้นต้องฝึกแต่อายุยังน้อยหลวงพ่อโมทนานะดีแล้ะฝึกไว้แต่เด็กๆอ้าวว่าไงส ก, การเช้าคะ่ะพอดีได้ไปที่กราบหลวงพ่อคําเขียนที่วัดป่าสุขโตเช่าคะ่ะอืมแล้วก็กลับมารู้สึกว่าสติเกิดเกิดบ่อยมากตอนนอนทีนี้มีอยู่ช่วงหนึ่งค่ะนอนแล้วก็พอสติเกิดพอรู้สึกตัวก็จะเห็นเหมือนแสงสว่าง อยู่ข้างหน้าก็ตามดูเขากระดับแล้วเขาก็สว่างอีกรอบหนึ่งก็ตามดูอีก อ, อ, อ, อย่าไปดูแสงสว่างนะให้ดูใจของเราเช่นมันสว่างขึ้นมาใจเราสงสัยว่าอะไรนะรู้ว่าสงสัย <c oughs> เราเกิดมีความสุขเกิดดีใจรู้ว่าดีใจให้ดูที่ใจเราค่นะ <c oughs> แล้วก็วันนี้รู้สึกว่าจะประคองน้อยลงไหมคะ <c oughs> ดีดีขึ้นลนะหลวงพ่อคเขียนเป็นพระแท้ๆนะหลวงพ่อคาเขียนเป็นพระที่หายาก ระดับนี้มีไม่กี่องค์หรอกมีโอกาสได้กราบได้ไหว้ก็บุญหลายแล้วถ้ามีโอกาสได้ฟังธรรมของท่านธรรมของท่านจะเรื่องสติเนี่ยวันนั้นเคยไปเยี่ยมท่านทีนนั้นหมอคำพลอยู่ด้วยันนั้นท่านก็พูดแต่เรื่องสติเนี่ยใจหนีแวบไปแล้วเห็นไหมค่ะรู้สึกรู้สึกว่าจะจับว่าหนีได้บ่อยขึ้นอย่างเมื่อเช้าหลวงพ่อพูดถึงว่าตอนเด็ก ก็จะไปดูปว่าเป็นเด็กเป็นรูปเด็กอย่างนี้ค่ะใจจะรู้ว่าตัวเอง ก, กำลังคิดถึงตรงนั้นอยู่ใช่ให้คอยรู้ทันใจที่ไหลไปไหลแวบรู้สึกแวบรู้สึกรู้แค่นี้ก็พอละเสร็จแล้วเราจะเห็นสภาวะธรรมมีแค่สองอย่างมีจิตที่ไหลไปกับจิตที่รู้สึกตัวแล้วก็ภาวนาไม่ใช่เพื่อให้รู้สึกตัวตลอดเวลาตรงนี้เราต้องจับหลักให้แม่นนะรวมทั้งคุณหมอด้วยนะคุณหมอเที่ยวสอนคน เราก็ต้องรู้ทันเราไม่ได้ฝึกคนให้มีสติเพื่อจะมีสติหรอกแต่เรามีสติข okay. like evet. mm hmm. bueno, ึ้นมาหนึ่งแวบเนี่ยเพื่อจะตัดชีวิตให้มันขาดเป็นท่อนๆคนทั่วๆไปมันหลงตลอดเวลาหลงตั้งแต่เกิดจนตายเลยชีวิตมีอันเดียวคือหลงเพราะงั้นไม่เห็นใจรักหรอกแต่พอเรามีสติขึ้นหนึ่งแวบเนี่ยชีวิตขาดเป็นสองท่อนแล้วมีสติอีกแวบหนึ่งขาดเป็นสามท่อนแล้วเราก็จะเห็นเลยว่าเดี๋ยวก็เผลอเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็เผลอเดี๋ยวก็รู้ ถ้าไปปัญญามันจะเกิดจิตที่เผลอห้ามมันก็ไม่ได้จิตที่รู้สึกตัวสั่งให้รู้สึกก็ไม่ได้จิตที่รู้สึกแล้วรักษาไว้ก็ไม่ได้เพราะฉะั้นจิตที่เผลอไปหรือจิตที่รู้สึกตัวเกิดแล้วดับเสมอภาคกันนะไม่ใช่เอาอันหนึ่งเกลียดอันหนึ่งนะเรามีจิตรู้สึกตัวก็เพื่อจะได้เห็นว่าเมื่อกี้เผลอเราเผลอไปเพื่อจะรู้ว่าความรู้สึกตัวเป็นยังไงถ้าเรารู้สึกตัวตลอดไม่มีเผลอเลยนะั่นก็แปลก พระอรหันต์ก็ไม่ได้รู้สึกตัวตลอดเวลานะจิตของพระอรหันต์บางขณะไม่มีสติจิตตะกูลวิบากจิตทั้งหลายเนี่ยไม่มีสติอย่างขณะที่ตามองเห็นไม่มีสติขณะที่หูได้ยินเสียงไม่ได้มีสติจิตที่ได้ยินจิตที่เห็นเป็นวิบากจิตไม่มีกุศลหรืออกุศลอะไรเกิดไปตามธรรมดาของมันตามวิบากแต่ถัดจากนั้นเนี่ย อะไรแปลกปลอมขึ้นในจิตในใจนะสติมันจะทํางานขึ้นมาแต่ถึงสติไม่ทํางานก็ไม่เดือดร้อนอะไรไม่มีอะไรปรุงแต่งแต่ว่าสติมันจะอัตโนมัติเลยไม่ไม่ใช่ึกว่าจะดีกว่าตอนช่วงหลังทานข้าวใช่ค่ะถูกไหมคะ่ะบางคนทานข้าวแล้วเป็นโรคแพ้อาหารแล้วก็สติจะเกิดตอนกลางคืนค่อนข้างบ่อยถ้า ง, งั้นเราก็ภาวนากลางคืนให้หนักๆไว้ เนี่ยเราดูตัวเองช่วงไหนสติเกตบ่อยเราก็ต้องฉกเวยเวลานั้นให้มากหน่อยงานอื่นที่จะมาแย่งเวลาช่วงนี้ mm hmm. ก็พยายามปัดปัดออกไปอย่างหลวงพ่อสมัยหัดภาวนานะหลวงพ่อพบว่าสี่โมงเย็นเป็นต้นไปเนี่ยเป็นเวลาที่ภาวนาดีจิตใจจะภาวนาดีแต่หลังมาพิจารณาว่าทําไมต้องสี่โมงเย็นมันิงกงานสี่โมงครึ่งพอเริ่มสี่มงเย็นนะเริ่มรีแลกซ์ลนะ พอจิตใจผ่อนคลายแล้วมันดูง่ายจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนรู้ตัวได้ตลอดเลยงั้นใครจะมาชวนทำอะไรตอนเย็นนะจะไม่แค่ยุ่งด้วยไ่เอาอะเสียเวลานาทีทองประจำวันของเราอีกนิดนึงนะคะหลวงพ่อพอดีไปได้นอนที่ของอ า, อาจารย์กำพลบุญนุ่มแล้วก็ผลอาจารย์หมอกาพลเพิ่งจะออกไปพอดีว่าตัวเองเหมือนมีุเหมือนปิติที่ได้ไป นั้นนะคะแล้วพอได้เห็นหลวงเขียนตอนแรกตั้งถ่ายรูปท่านก็ปิติก็ลืมไม่ได้ทันไหวจะจะรู้อยู่ตรงตีแล้วใคยรู้ทันไปนะดีแล้วมีครูบาอาจารย์อย่างนี้หายากนะครูบาอาจารย์ทุกวันนี้ก็ยังมีเยอะแต่ว่าที่สอนแบบนี้มีน้อยส่วนใหญ่บางทีพาหลงทางซะด้วยซ้ำไปหาอ้อม อ, อมถึงไม่หลงบางทีก็อ้อม แทนที่จะมาให้มีสติรู้กายรู้ใจลงปัจจุบันทางปฏิบัติรัดสั้นที่สุดอยู่แค่นี้เองมีสติรู้กายรู้ใจลงปัจจุบันไปก็อชอบอ้อมๆไปนะให้นั่งให้เคลิ่มเค่มก่อนนั่งไปดูวันโน้นไปดูวันนี้ก่อนอะไรเงี้ยนะโอ้อ้อมคลอมบางคนอ้อมแล้วกลับบ้านไม่ได้เลย <c oughs> ดีแล้วจิตดีขึ้นเยอะนะแต่ก่อนยังภาวนามไม่เป็น ตอนนี้ใจเป็นแล้วมีสติแล้วใช้ได้เอาใครจะยกมือคนต่อไปนอนส่งไปข้างหลังเขายกก่อ น, น, นชูมือไว้ชูมือไว้ออากาบนมัสการหลวงพ่อค่ะคือว่าช่วงหลังๆอะค่ะจะรู้แค่ว่าตัวเองอะคิดบ่อยแล้วก็คิดแบบ พอรู้ว่าคิดมันก็เปลี่ยนเรื่องคิดเปลีป่ยนๆๆจนรู้สึกหงุดหงิดนะคะออพอหงุดหงิดปุ๊บ ค, คือช่วงหลงหังอ่ะพอพอแต่ก่อนคือรู้สึกว่ารู้สึกอะไรก็แค่รู้สึกแต่พอช่วงหลังมันรู้สึกบ่อยๆเข้ามันก็เริ่มภาค่ะค่ะแล้วมันภ า, าคแล้วมันก็จะเริ่มสงสัยเฮ้ยภาคทําไมมาภาคอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ก็เ ก, ก็จะหงุดหงิดอีกเงี้ยค่ะก็เลยมีความรู้สึกว่าทําผิดไปอีกแล้วหรือเปล่าอะคะ่ะไม่ผิดหรอกนะถ้าอะไรเกิดขึ้นเป็นปัจจุบันเราก็ตามรู้ตามเห็นไป อย่างพอเราไปเห็นสภาวะมันถี่มากไปเราขาดสมถะพอเราขาดสมถะไปเลยเราเห็นสภาวะมันจะเกิดดับรวดเร็วมากเลยเห็นบางทีงงไปเลยก็มีบางคนเห็นแล้วรำคาญก็มีถ้าเห็นแล้วรำคาญเราก็หยุดซะก่อนทำใจให้สบายแล้วเดี๋ยวมาดูใหม่พักผ่อนหรือถ้าจะใจแข็งๆนะรำคาญ ร, รู้ว่าราคาญ ร, ราคาญดับไป เสรล้วเกิดสงสัยว่าทําอยู่ถูกไม่ถูกนะรู้ว่าสงสัยแล้วก็นั่งดูไปนะค่อยๆดูไปจิตจะฟุ้งซ่านมันก็ไม่ใช่ตัวเราความรําคาญมันก็ไม่ใช่ตัวเราดูออกไหมความเบื่อมันก็ไม่ใช่ตัวเราความสงสัยก็ไม่ใช่ตัวเรามันเป็นแค่ความรู้สึกเป็นแค่ธรรมชาติอย่างหนึ่งที่ผ่านมาเท่านั้นะความความเบื่อมันบอกไหมเป็นตัวเราหรือความรําคาญมันก็ไม่ได้บอกใช่ไหมค่ะคือว่า มันไว้ถึงขั้นไม่รู้สึกว่าไม่เป็นตัวเราค่ะคือจะรู้สึกว่ามันรู้สึกแต่มันความเป็นตัวเรามันยังมีอยู่แม่ดูไปเรื่อยดูสภาวะทั้งหมดเลยนะที่เกิดขึ้นมาดูลงไปเรื่อยๆแล้วเสร็จแล้วเราจะเห็นสภาวะทั้งหมดนะ่ะมันเป็นสภาวะเท่านั้นเองไม่มีเราหรอกนะไม่มีเราในสภาวะทั้งหลายแต่ไม่ใช่ให้ไปคิดเอานะหลวงพ่อพูดอย่างเงี้ยแล้วไปดูเอาเดี๋ยวจะเห็นเองหลวงพ่อคะแล้ว ท ำ, ทำไมเรายัางติดเพง่งเพงอยู่เยอะเลยอ่ะคะแล้วมันก็จะหนักๆแล้วปวดหัวบาง<ช>ครงัพอมันมองไปเราก็รู้สึกว่าเอ้ยเพ่งอีกละเราพอหลังจากรู้สึกจะปวดหัวแล้วมัวนปฏิบัติกเกือบร้อยละร้อยคือนักเพ่งนะออันนี้เขารู้กันมาตั้งพันปีกว่าแล้วมันอยู่ในคัมภีอัตถกถาคำพีชั้นอัตถกถาสอนไว้เลย การสุขาริการนุโยกหรือความปรุงแต่งฝ่ายชั่วเนี่ยอันหนึง่งอัตากิลมัฏฐานุโยคคือการบังคับตัวเองบังคับกายบังคับใจหรือความปรุงแต่งฝ่ายดีเพราะงั้นสังเกตดูคนทั่วๆไปหลงตามโลกที่ปรุงแต่งฝ่ายชั่วไปเดี๋ยวก็อยากดูเดี๋ยวก็อยากฟังเดี๋ยวอยากได้กลิ่นเดี๋ยวอยากได้รสเดี๋ยวอยากสัมผัสนะเดี๋ยวอยากคิดอยากนึกอยากปรุงอยากแต่งนี่ทำไปตามความอยากตามกิเลส นี่ปรุงแต่งฝ่ายชั่วนักปฏิบัติเนี่ยพยายามควบคุมตัวเองควบคุมกายควบคุมใจคือเรียกว่าความปรุงแต่งฝ่ายดีผลของความปรุงแต่งฝ่ายดีคือความทุกข์เช่นเดียวกับความปรุงแต่งฝ่ายชั่วผลสุดท้ายจะทุกข์เหตุของความปรุงแต่งฝ่ายดีคืออวิชชาเช่นเดียวกับเหตุของความปรุงแต่งฝ่ายชั่วอันเดียวกันอวิชชาคือความไม่รู้ว่ากายกระใจไม่ใช่เราหรอก ยึดเอาว่าเป็นเราก็เลยอยากดีพออยากดีอยากสุขอยากสบายคนโง่คนชั่วก็วิ่งหาอารมณ์ที่เพลิดเพลินมาตอบสนองมันคิดว่าถ้าตอบสนองกิเลสได้แล้วจะมีความสุขนักปฏิบัติเห็นว่าถ้าบังคับใจตัวเองไม่ได้ไม่ให้ตกอยู่ใต้อำนาจกิเลสแล้วจะมีความสุขแล่นเราคอยบังคับตัวเองตลอดเวลาเพราะอะไรเพราะอยากดีอยากสุขอยากสงบนั่นแหละ ถ้าเข้าใจตรงนี้นะต่อไปเราจะไม่คอยบังคับตัวเองแล้วแต่เราจะคอยเรียนรู้ตัวเองที่ฝึกอยู่ใช้ได้นะดีละไปเรียนมาจากไหนจากหลวงพ่อด้วยสค่ะเพราะว่าแรกๆคือ ห, หลวงพ่อด้วยเนี่ยอยู่วัดไหนคะอาจารย์ป่ามอดค่ะ<อ> <c oughs> คือว่าแรกๆเป็นสมาธิค่ะจนกระทั่งได้มาอ่านหนังสือแต่เธอแต่อะไรผู้มาใหม่อ่ะคะ่ะในเว็บไซต์แล้วก็ก็เลือก ก็เหมือนเป็นความโชคดีว่าคนในลานธรรมเขาก็ให้ซีดีมาฟังก็เลยก็เลยได้มีโอกาสมาทางนี้เรื่อยๆแล้วก็ได้ไปเรือนธรรมของคุณ ด, นนะะดันอัยค่ะก็ทุกอย่างได้มาจากหลวงพ่อด้วยะะไปดูไปนะด้วยกรรมของเรานล้วแหละไม่ใช่เพราะหลวงพ่อหรอกนะแล้วคําว่าบาังเอิญไม่มีนะทุกอย่างมีมีเหตุมีปัจจัยถ้าเราไม่ได้สร้างบุญมาเราก็ไม่ได้ธรรมะเราก็ไม่สนใจใช่ไหมไม่สนใจมันก็ไม่เจอ ไม่สแสวงหาก็ไม่เจอเนี่ยนี่พราะเรามีบุญของเราเราสนใจเราเสแสวงหาสแสวงหาแล้วมีบุญหนุนหลังเราเจอเนี่ยล้วก็ภาวนาอีกลูกศิษย์คุณดนัยเน้อ <c oughs> ดีละหัดดูไปหัดรู้สึกแต่อย่าไปกำหนดนะ <c oughs> กำหนดไม่ใช่คำสอนที่พู้เจ้าสอน <c oughs> อใครจะยกมือคนต่อไป อ๋อวันนี้ว่างไวมากเลยมราการหลวงพ่อค่ะจากครั้งที่แล้วที่มาแล้วหนูบอกหลวงพ่อว่าค่อนข้างแน่นๆแล้วหลวงพ่อบอกว่ามันแอ บ, บทำโดยที่เราไม่รู้ตัวอย่างดีอะไรเงี้ยหนูก็เลยพยายามจะแบบปล่อยๆมันค่อย ๆ, ๆดีขึ้นนะคะแล้วพอวันนี้มาวัดหนูกรู้สึกเกร็งใช่ได้แล้วนะดีขึ้นแล้วแต่ว่าคือหนูไม่ทราบว่าที่ทำอยู่ทุกวันนี้นี่คือรู้สึกว่า เหมือนตอนนี้จะพยายามจะไม่ทําเพื่อไม่ให้มันตอนนี้ใช้ได้นะที่ฝึกอยู่ตอนนี้ใช้ได้หรอะแต่หนูมไม่ค่อยรู้รู้ตัวแล้วก็ไม่ต้องรู้ก็ได้ฝึกงงๆไป อ, อ่ะมันมั น, ม, นมันเหมือนตอนนี้เหมือนเหมือนกลับไปมากกว่านับหนึ่งอีกมันเป็นไปนทําอะไรละ่ะมันมันเหมือนกับใจเหมือนตอนที่มาฟังหลวงพ่อครับแล้วก็พยายามจะมีสติรู้ตามดูแต่ทีนี้แบบไม่ ไม่พยายามแล้วก็รู้ก็รู้ก็ช่างแล้วก็นี่มันมันแบบคิดอะค่ะหลงไปหรือเปล่าอย่าหรือเปล่าอะไรอ่ะก็รู้ลงปัจจุบันว่ามันคิดที่ฝึอกอยู่ใช้ได้ละดูไปเรื่อยๆสังเกตไม่ใจเราเบาแล้วรู้สึกเขารู้สึกไม่สติเราเร็วด้วยอะไรแปลกปลอมในกายในใจมันรู้เองเป็นบางครั้เอัยแต่วตราจะไม่ได้ไปนั่งเพ่งเอาไว้ค่ะต่อต่บางทีถ้า จะไม่ขาแต่เออกรอดก็ยังกรอดอยู่ขาด่ะไม่ต้องกล่าไม่ต้องขาดนะดูไปอย่างที่เป็นรู้อย่างที่มันเป็นเราไม่ได้ภาวนาเพื่อเอาดีไม่ได้ภาวนาเอาความสุขไม่ได้ภาวนาเอาความสงบเราภาวนาเพื่อให้เห็นความจริงของกายของใจนะเอาความจริงความจริงของกายของใจไม่เที่ยงเป็นทุกข์บังคับไม่ไดไ้ดูแค่นี้พอแล้วไม่ต้องเอาอย่างอื่นดีก็ได้ชั่วก็ได้ แต่ว่าต้องถือสี่ห้าไว้ก่อนพยายามแล้วหลักๆผิดสีลจะมีอะไรเพราะโดยฉอบโดยที่เราไม่กลับอะไรผิดคือถ้าเราภาวนามากๆนะแล้วเราต้องผิดสินนี่ยนะเราตกนรกทันทีเลยคือใจเราเนี่ยจะร้อนจี๋ขึ้นมาให้ดูเลยนะบางคนมีจุดสว่างว่าเพิ่มมาเหมือนสปาร์คขึ้นมาเลยนะนี่ธรรมะช่วยเรานะ ช่วยให้ตกนรกสักก่อนที่จะต้องไปตกจริงๆเสร็จ แ, แล้วเราจะขยันเลยไม่กล้าทำชั่วนิดนึงคือสึกว่าพอหลังๆจะหมดขยานในในโลกเด็กๆก็อยากอยากจะอยากจะเหมือนกับว่ากาเก่งๆวนาถึกอ๋อไม่มีฐานฐานหมด <c oughs> เดี๋ยววันนี้ สิบโมงนะหลวงพ่อต้องไปกรุงเทพเรามีอะไรจะคุยก็คุยเลยตอนเนีนะ้จริงจริงการภาวนาไม่ยากเนี่ยระหว่างการเปลี่ยนฐาน <laughs> ต้องพูดเลยเพราะเวลาหมดแล้วหมดเลยเป็นทรัพยากรที่หมดแล้วหมดเลยนะเวลารีไซเคิลไม่ได้ไว่าไง ก็ได้สมถะเ้ใช้ได้คือสมถะก็จำเป็นในบางคราวแต่ว่าไม่ใช่ a ออรอะไรก็ใช้สมถะอย่างเดียวมันเหมือนเรามีเครื่องมือหลายอย่างเราต้องฉลาดในการใช้เครื่องมือในขณะนี้เราควรจะใช้สมถะเราก็ใช้ขณะนี้ควรใช้วิปัสสนาก็ใช้ขณะนี้สมถาวิปัสสนาไม่มีก็ใช้ศีลป้องกันตัวเองไว้ศีลก็สู้ไม่ไหวก็วิ่งหนีไป ยังจะชกมาแล้วทนไม่ไหวแล้ศีลก็กั้นไม่อยู่นะก็วิ่งหนีไปเลยจะได้ไม่ต้องเครื่องมือมีหลายตัวนะต้องฉลาดในการเลือกใช้เครื่องมือไม่ใช่เอะไรก็จะใช้แต่สมถะหรือเอะไรก็จะใช้แต่วิปัสนาไม่ใช่บางครั้งวิปัสสนาก็เอาไม่ลงเอาไม่ลงก็ต้องเล่นสมถะเอาตัวรอดไปก่อนอย่างพระหนุ่มเนรน้อยนะไปเจอสาวอยู่ในป่ามานานไม่เคยเห็นสาวเลยเห็นแต่ งูเงี้ยวเขี้ยวขอดูไงก็ไม่สวยเข้ามาในเมืองเจอสาวราคามันแรงเก็บกวดมานานราคาแรงจะมาดูจิตที่มีราคาหรือมาดูกายดูอะไรตัวเองสู้ไม่ไหวก็ต้องพิจารณาสุภาะพิจารณาสาวจับมันลอกเป็นชั้นๆ น, นะแต่สาวมันไม่รู้นะว่าเราแอบทําอะไรนี่ยดึงผมมันออกมาเป็นหัวเกลียนเกลียนนี่ลอกหนังหัวมันดูเข้าไปเป็นชั้นๆ น, น, นะ ดูโอ้หน้าเกลียดเนี่ยราคาก็สงบลงชั่วคราวเอาตัวรอดได้ถ้าพิจารณานะดูผมมันโอ้สวยจังเลยดูหนังโอ้ก็สวยกว่าเก่าอีกนะอย่างนี้ก็วิ่งหนีเลยต้องฉลาดนะเครื่องมือมีหลายอย่างไม่ใช่จะสู้แบบวัวแบบควายดุยดุ ย, ดยเข้าไปอย่างเดียวก็ดีอีกแต่ดีแบบสมถาอีกนะ ดียางสมถะอีกแสดงว่าอะไรแสดงว่าเราไม่ชอบอภูษณเราชอบกูษณนะรักอันนึงเกลียดอันหนึง่งจะเอาอันหนึง่งจะผลักอันหนึง่งนะมิปัสชนาจะไม่เป็นอย่างนั้นมิปัสชนาจะเห็นทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเสมอภาคกันด้วยความเป็นไตรลักษณนะ์โคนละอันกันอาเอาใช้ไหม้หน่อยใช้ไหม้หน่อยพราะอุตส่าห์ส่งให้แล้วอขอขอขออภัยครับ S <S ก็งั้นก็แสดงว่าเราให้เรารู้อย่างเดียวใช่ไหมครับว่าวับว่ า, ว า, วาความคิดนั้นเป็นอกุศลคือคื อ, คอดูดูรู้ไปเท่านั้นพอไม่ต้องไปขนาในดที่ทําวิปัสสนาได้ทําวิปัสสนาครับทําวิปัสสนาไม่ได้ทําสมถะทําสมถะไม่ได้เอาศีล ร, รักษาตัวเองไว้ก่อนครับนะบต้อใช้หลักนี้นะครับงั้นไม่ไม่ใช่อะไรเกิดขึ้นมาพิจารณาคิดลูกเดียว เพื่อจะแก้อาการของจิตจิตมีราคาพิจรารณาอสุภาพจิตโกรธขึ้นมาจเจริญเมตตาอะไรเงี้ย ه. นี่คือการแก้อาการเป็นเรื่องของสมถะสมถะเนี่ยมีประโยชน์คือทําให้จิตใจสงบสุขสมถะมีโทษพอเราฝึกมากๆมันจะรู้สึกว่ากูเก่งกูเก่งฝึกแล้วมานนะอัตตามันเพิ่มนะ <Okay. S 1> เพราะงั้นเราทําสมถะอย่างเดียวแล้วเราจะรู้สึกว่าจิตเป็นอัตตาเหมือนพวกฤาษีชีพลัยทั้งหลายเขาสอนว่าจิตเป็นอัตตา ในขณะที่พระพุทธเจ้าเนี่ยตามรู้กายตามรู้ใจแล้วก็จะเห็นว่าเป็นอนัตตาคืนไม่ไป <c oughs> อ้าวส่งกันบ้านต่อเมื่อกี้อุตสาหความใหม่ไว้ได้แล้วอุตสาห์เปลี่ยนทานคืนหนูแค่อย า, ากจะถามพ่อว่าหลังๆนี้หนูมหมดความทยะยานในการทํางานขึอนเหมือนกับไม่โตก็ได้ไม่ไม่ไ ม, ไม่โตก็ได้นะแต่ต้องโต คือชาวพุทธเนี่ยไม่ใช่ขี้เกียจนะพวกเรามักจะคิดว่าโมทีฟมีเฉพาะอากุศลแล้วคิดว่ากิเลสเท่านั้นคือโมทีฟที่จริงสิ่งที่ดีๆนะก็เป็นโมทีฟได้ชาวพุทธจริงๆไม่จําเป็นต้องจนนะไม่จําเป็นต้องปอนด้วยในสมัยพุทธกาลชาวพุทธเป็นเศรษฐีตั้งเยอะนะเศรษฐีก็เป็นได้นะไม่จําเป็นต้องแกล้งจนนะ ความขี้เกียจจะทํางานน่ะเป็นข้ออ้างของกิเลสธรรมเป็นบอกชั้นสมถะชั้นมักน้อยสันโดษชั้นขี้เกียจนั่นแหละขี้เกียจเป็นกิเลสนะเราต้องรู้ว่าหน้าที่ของเราคืออะไรเราเป็นใครเรามีหน้าที่อะไรเรามีบทบาทยังไงเราเป็นฆราวาสมีหน้าที่ทํามาหากินต้องเลี้ยงตัวเองให้ได้ก่อนเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่แล้วก็ทําคุณประโยชน์ต่างๆมีหน้าที่นะ จะมาขี้เกียจงอมืองอเท้าไม่ได้นะอเออคนละเรื่องกันตอนหลวงพ่อเด็กๆสมัยนั้นจําพลสลิดเป็นนายกจําพลสลิดไปสั่งพระเลยต่อไปนี้ห้ามสอนเรื่องสันโดษนะเนี่ยสันโดษทําให้คนขี้เกียจเนี่ยไม่เข้าใจธรรมะสันโดษไม่ได้แปลว่าขี้เกียจสันโดษเนี่ยนะขยันนะทําเต็มที่เลยสุดฝีไม้ไลายมือนะทำํทำทําให้เต็มที่ลงไป แต่ว่าเมื่อทำสุดขีดแล้วได้ผลแค่ไหนนะยอมรับในผลนั้นนั้นชัวเราทาบริษัทค้าขายต้องกะว่าตั้งเป้าไว้ต้องได้พันล้านมันได้สิบล้านสุดฝีมือแล้วนะมันได้แค่เนี้ยก็พอใจละภูมิใจในสิบล้านนี้แลกมาด้วยน้ำพักน้ำแหล่งนี่ภูมิใจนะผลงานไม่ใช่ดูถูกเกียดยามตัวเองด้วยงั้นสันโดษสันโดษในในผลนะไม่ใช่สันโดษในเหตุ เหตุต้องขยันชี้เกียรตเป็นกิเลสเห็นไหมกิเลนหน้าตามันสวยนะอ้าวใครจะยกมือคนต่อไปใครที่ยกแล้วก็อย่าเพิ่งยกบ่อยบางคนมันยกไวมากรือยกปุ๊บปุ๊บปุ๊บนะคนอื่นไม่ได้ยกกลาวนาสการหลวงพ่อเจ้าค่ะลูกอยากให้หลวงพ่อช่วยชี้แนะสิ่งที่แบบยังผิดที่ลูกคนรไปดู ขณะนี้ใจมันไม่ตั้งมัน่นรูออกไหมค่ะ <หา S 2> รู้ไอ้ข้าเนี่ยเข้าใจไหมเห็นไหมรู้ไหมว่าไม่ตั้งมัน่นเห็นว่าตื่นเต้นเจ้าค่ะเออตื่นเต้นรู้สึกไม่ใจไปนอกๆ <หา S 2> มันไม่มันไม่ย้อนเข้ามาถึงใจของเราเองค่ะเ <หา S 2> นี่ยให้เรารู้ทันเจ้<ห>าค่ะรู้ลงปัจจุบันไปถ้ารู้ลงปัจจุบันได้ก็ใช้ได้ที่ฝึกอยู่เนี้ใช้ได้แล้วค่ะ <หา S 2> ต้องดูไปบ่อยๆค่ะเดี๋ยวนี้คนที่ภาวนาแล้วตื่นขึ้นมาเนี่ยเยอะมากเลยนะ อย่างของคุณนี่ก็ตื่นขึ้นมาแต่ตอนนี้หลงไปละเจ้าค่ะหลวพระเจ้าค่ะรบกวนสอบถามนอกนอกนิดนึงเจ้าค่ะคืออยากถามว่าอย่างอคําว่าคําว่าพัทธลกัพกั บ, กบคําว่ามหากษัพเจ้าค่ะกับที่บอกว่าในพัทธลกัพนี้มีพระพุทธเจ้าห้าพระองค์เนี่ย ห, หมายหมายถึงยังไงเจ้าค่ะคือกับมีหลายอยันนะมีมีมหากษัพมหากษัพเนี่ยเป็นคาบของเวลาที่จักรวาลเกิดจนจักรวาลแตกไป มหากับอันไหนที่มีพระพุทธเจ้าเกิดเรียกพัทธรกับมหากับที่ไม่มีพระพุทธเจ้าเกิดเรียกอันตรรกับมีกับอีกชนิดหนึ่งเรียกว่าอายุกับอายุกับนี่ก็คืออายุเฉลี่ยของคนในยุคนั้นอย่างอายุกับของคนเดี๋ยวนี้เจ็ดสิบห้าปีงั้นพวกเราเนี่ยถ้า75ิห้าปีเรียกว่าหมดอายุแล้วนะ ถ้าอยู่เกินนั้นก็แสดงว่าบุญรักษาไว้แล้วหรือไม่ก็อาภูศนรักษาไว้ไม่ตายซนะทีตอนหลวงพ่อเด็กๆนะอ่านประวัติพระพุทธเจ้าพุทธประวัตินะโกรธพระอานนท์มากเลยทําไมทําไมไม่อารัธนาให้พระพุทธเจ้าอยู่กับหนึ่งนะพระพุทธเจ้าจะได้อยู่มาถึงวันนี้ พอศึกษาธรรมะมากขึ้นถึงรู้ว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้อยู่กับหนึ่งอย่างมาหากรบหรอกท่านจะอยู่กับหนึ่งก็คืออายุกับอายุกับของยุคนั้นคกือบร้อยปีท่านอยู่ได้กับหนึ่งหรือมากกว่ากับก็ประมาณร้อยปีร้อยี่สิบปีอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นไม่ใช่อยู่มาจนถึงสองพันห้าร้อยกว่าปีนะถ้าท่านอยู่มาถึงวันนี้คนจะกลัวท่านไปหา พจนานุกรมของเจ้าคุณประยุทธ์อะดูนะสงสัยสับอะไรพวกนั้นมีเยอะแยะเอาใครจะยกมือต่อไปมีไหมกราบธรรมสการ์หลวงพ่อค่ะวันนี้หนูมาครั้งแรกก็อยากให้หลวงพ่อช่วยดูว่าหนูปฏิบัติมาถูกหรือเปล่าค่ะบางทีหลวงพ่อจะตอบหลวงพ่อก็เกรงใจเกรงใจ เห็นกิเลสไมวันวันหนึ่งเห็นเยอะไหมก็เห็นบ้างเห็นก็ยิ่งเห็นบ่อยยิ่งดีนะะเพราะงั้นเราคอยรู้ไปถ้ากิเลสอะไรเกิดขึ้นในใจรู้ไปเรื่อยๆแล้วใช่ได้ละแต่ถ้าวันหนึ่งเห็นสองครั้งสามครั้งก็น้อยไปถ้าเห็นบ่อยๆแต่ว่าเวลาโกรธจะจะรู้สึกว่าเห็นเห็นเวลาโกรธดูง่ายที่สุดนะโทสะเป็นกิเลสที่หยาบที่สุดเพราะงั้นดูง่ายที่สุด ดีแล้วที่ภาวนาใช้ได้แต่ว่าตอนนี้มันบังคับตัวเองมากไปรู้สึกไหมเออบังคับตัวเองเยอะไปอา้าวยมว่าอย่างไงมีเวลาอีกหกเจ็ดนาทีใครจะยกมือมีไหมหนึง่งอ๋อไอ้ใยกแล้วเนีย่ยกแล้วยกอีกอะฮะยกไปยังยังอ่ะส่งไมให้ วันนี้รู้สึกว่าเบาพอวันก่อนที่มาหาหลวงพ่อเหมือนแต่ก่อนก็นึกว่ายังทําถูกแล้วก็แต่ว่าพอวันนี้เหมือนกับไปเลิกตั้งใจมันก็ก็เบาขึ้นกว่าเดิมอีกอมันฟุ้งเกินไปนิดนึงฟุ้งเกินไปอ่ฟุ้งเกินไปนิดนึงปล่อยมากเกินไปใจมันไม่ตั้งมั่นใจมันหลุกหลิกหลุกล ก, ล ก, ลกรู้สึกไหมเนี่ยวิ่งปบป๊บป๊บปเนี่ยไปอีกแล้วรู้สึกไหมไม่เห็นคะ่ะ คือถ้าใจไม่มีกําลังนะมันไม่ตั้งมัน่นไม่ค่อยเห็นอะ่ะมันจะหนีว้อแวบว้อแวบไปเนี่ยสงสัยแล้วทราบไหมเห็นค่ะเนี่เริ่มเห็นแล้วนะ <laughs> อ๋ อ, อ, อตอเลยนะ <laughs> คือมันเหมือนกับว่าถ้าเกิดอย่างนั้นมันคือมันเหมือนมันละมันละเอียดลงเงี้ยค่ะใช่ที่เราดูอยู่แต่ก่อนมันเหมือนกับมันมัหยาบหยาที่แต่ก่อนเราเพ่งเอาเพ่งเอาไม่ใช่ของจริงอะนะ นิ่งๆแข็งๆไปเหนื่อยเนี่ยปล่อยไปแล้วก็ให้ใจทํางานแล้วเรามีสติตามดูไปอย่างตอนเนี้ลืมไปแล้วรู้สึกไหมลืมตัวเองเนี่ยไปอีกแล้วรู้สึกไหมหนีไปคิดหนีไปดูหนีไปค้นคว้ามาหยุดมาดูที่ตัวเองอย่างเงี้ยค่ะก็<ง>คือจงใจดูก็ไม่ได้นะเออจงใจดูรู้ว่าจงใจถึงจะใช้ได้เนี่ยหนีไปคิดแล้วรู้สึกไหม ไหลแว บ, บไปนิดนึงค่ะเออนั่นแหละนิดนึงหลวงพ่อบอกเร็วไงมเลยนิดนึงถ้าบอกช้ามันคงนานกว่านั้นนะแต่บางอันก็เห็นบางอันก็ไม่เห็นอไม่เป็นไรเห็นเท่าที่เห็นได้ต่อไปสติจิตมันจําสภาวะได้แม่นจําได้ว่าหลงเป็นยังไงนะพอหลงปันะ๊บแลสติเกิดเองเลยเกิดเร็วขึ้นเร็วขึ้นแต่ตอนนี้ที่หลวงพ่อบอกว่ามันลุกลี้ลุกลวนเพราะว่ามันว่าว่ า, ว า, วามันก็เลยไม่เห็นจริงใช่ไหมคะใช่ใช่ ทาใจให้สบายสบายก่อนไอ้อย่างนั้นไม่เรื่องทาใจสบายอย่างนั้นเรื่องบังคับใจให้นิ่งทาใจสบายต้องอย่างนี้นี่ําเป็นไหมเนี่ยใจสบายสบายแล้วก็คอยรู้สึกเอาต้องสบายนะถ้าใจแข็งกระด้างทื่อๆจะไปดูอะไรออกอ่ะว่าไปนี่ยกมือ พอดีกี่นี้ถามแล้วแต่มีคําถามคําถามหนึ่งทีอ่อยากขอเป็นวิทยาทานนะคะที่ถามหลวงพ่อเกี่ยวกับฉันทากับตัณหาในการปฏิบตัติแล้วหลวงพ่อบอกว่าถ้าใจเราเริ่มเปิดเราก็จะเรียนรู้ธรรมะและเข้าใจการปฏิบัติได้มากขึ้นก็เลยอยากจะถามหลวงพ่อว่าการที่ใจเราจะเริ่มเปิดในการเรียนรู้ธรรมะเนี่ยมีปัจจัยอะไรบ้างคะเราก็ต้องมีศรัทธาก่อนนะมีศรัทธาก่อนหรืออย่างน้อยเราต้องฝึกใจของเราให้เป็นนักวิชาการให้ได้ นักวิชาการที่ดีไม่เริ่มต้นจากสิ่งที่ตัวเองเชื่อนะถ้าเริ่มต้นจากสิ่งที่ตัวเองเชื่อแล้วก็หาข้อพิสูจน์เนี่ยเพื่อพิสูจน์ RPG ความเชื่อของตัวเองยังไม่ใช่นักวิชาการที่ดียังไม่ใช่คนที่หาความจริง <sponsor S 2> นะงั้นเราต้องเปิดใจให้กว้างทาใจซะ ก, ก่อนว่าเรายังไม่รู้อะไรจริงอย่าไปคิดว่าเรารู้มาเยอะแล้วทาใจบอว่าเรายังไม่รู้อะไรเลยใจของเราเหมือนเด็กๆได้นะจะเรียนรู้ได้เร็ว จิตของเด็กเรียนรู้อะไรใหม่ๆได้เร็วที่สุดเลยเพราะเด็กมันรู้สึกว่ามันยังไม่รู้อะไรเลยส่วนของเราเรียนมาเยอะแล้วเราก็จะมีข้อมูลเก่าเยอะไอข้อมูลเก่าเนี่ยแหละขวางการเรียนรู้สิ่งใหม่ของเราไว้เขาเรียกว่าชาล้นถ้วยเคยได้ยินไหมฉาล้นถ้วยเพราะงั้นถ้าใจเราไม่คิดว่าเรารู้แล้วนะค่อยๆดูค่อยๆฟังไปฟังแบบเปิดใจกว้างๆแล้วหลวงพ่อก็บอกว่าลองมามีสติมาค่อยดูกายมาค่อยดูใจนะก็มาลองดู มาลองดูสักเดือนสองเดือนเมื่อเดือนก่อนมีแม่ชีคนหนึ่งภาวนามาจากสำนักอันหนึ่งมานะอย่างเคร่งเครียดมาเลยแล้วแกบอกแกเป็นมะเร็งขั้นสุดท้ายเวลาแกน้อยแล้วไม่ได้แกจะต้องลุยภาวนามานั่งถามหลวงพ่อนะถามธรรมะเยอะแยะเลยอธิบายไงนะรับไม่ได้สักข้อเลยเพราะใจเนี่ยมันเต็มไปด้วยข้อมูลเดิมทํายังไงจะต่อยอดจากของเดิม บอกถ้าโยนของเดิมได้นะ่าจะรู้สึกอะไรอย่างรวดเร็วเรียนสิ่งใหม่ๆได้เร็วเสร็จแล้วตกลงกันไม่ได้หลวงพ่อเลยบอกหลวงพ่อขอเวลาแก่เดือนหนึ่งขอเดือนเดียวอะ่ะให้แกใจถึงๆนะให้แกคอยมารู้กายรู้ใจอย่างที่หลวงพ่อบอกไม่ใช่ไปเพ่งกายเพ่งใจกําหนดกายกําหนดใจขอเดือนเดียวนะเดือนหนึ่งคงยังไม่ตายอ่ะนะว่างี้ขอทดลองดูสักเดือนหนึ่งถ้าไม่ดีขึ้นนะก็กลับไปทําอย่างเก่าไปทำสองสามวันนะแกบอกใจแกเปลี่ยน ใจแกโล่งใจแกเปิดขึ้นมาจะเรียนรู้สิ่งใหม่ได้มากขึ้นสรุปก็คือว่าไม่ทำตัวเป็นชาล้นถ้วยข้อหนึ่งข้อสองอย่ารีบร้อนในการปฏิบัติคือจริงๆตัวที่ทำให้ชาเนี่ยคือตัณหามานะทิจิสามตัวนี้มีตัณหาก็อยากอยากให้ได้เร็วกว่าช้ามีมานะกูเก่งกูเก่งถ้ากูเก่งจริงกูพ้นทุกไปแล้วแหละ <c oughs> กูอย่างกระดอกกระแดกกูคงไม่เก่งเท่าไหร่หรอกนะ มีทิฏฐิจเจ้าความคิดจเจ้าความเห็นอย่างนี้น่ะอย่างนี้น่ะอย่างนี้น่าจะดีน่ะบางทีภาวนาดีๆอยู่แล้วแนะยังอุตสาหิคิดให้มันวุ่นวายขึ้น ไ, ไปให้ทําไงมันจะดีกว่านี้อีกนะเนี่ยกลับมาคิดเรื่องทำอีกแล้วนะแทนที่จะรู้กายรู้ใจลงปัจจุบันไปเรื่อยๆถ้าไม่มีตัณหาไม่มีมานะไม่มีทิฏฐิจะรับธรรมะได้เร็วแล้วการทําบุญนะคะือการทําบุญก็มีส่วนช่วยบ้างใช่ไหมคะบุญมีทั้งสิบอย่างเลยนะการจเจริญสตินี่แหละ เป็นยอดของบุญเลยบุญบารมีสิบอย่างต้องทํานะต้องทําตอนนี้ยังไม่รู้หรอกว่าต้องใช้ในนาทีที่จะแตกหักข้ามภพข้ามชาติเนี่ยไม่มีใครจะช่วยเราเลยหันไปรอบๆตัวเหลือแต่บารมีอยู่สิบตัวนี่แหละที่จะช่วยเราสู้กับมารห้าตัวมารมีหนะ้านั้นบารมีมีสิบแต่มารมันน่ากลัวตัวใหญ่มารหัวโจก ที่เรียกว่าเทวบุตรตมานคือจิตของเรานี่เองจิตที่จะลากตัวเองลงต่ํำนี่เงเลิกเถอะเลิกเถอะถอยเถอะเอาตัวรอดเถอะเอาพิสังขารมานคือความคิดปรุงของเราเองคิดในทางยาบันทอนตัวเองคิดในทางล้างผลาญคุณงามความดีของตัวเองกิเลสมานกิเลสทั้งหลายอยหลอกล่อเราให้เลิกการปฏิบัติให้ลุกซะเถอะ อย่านั่งต่อไปเลยนั่งต่อไปถ้าไม่บ้าก็ตายให้หนีซะเถอะแล้วอยู่กลับไปอยู่กับโล ก, โลกเขายัางมีความสุขมากกว่าคนทั้งโลกถ้าเทียบกับสมัยโบราณก็าบอกไปเป็นพระเจ้าจั ก, กรพรรดิเถอะอย่าเป็นข้ารหันรเลยขันธมานเนี่ยนะจิตเนี่ยแปรสภาพเป็นก้อนทุกข์ล้วนๆเลยทุกข์กไม่มีอะไรเหมือนเลย มัจจุมานเนี่ยเหมือนกับความตายมารอยอยู่ข้างหน้าแล้วถ้าไม่ถอนออกจากอาสนะนี้ไม่ลุกจากอัสนะนี้นะไม่บ้าก็ตายในขณะนั้นนไม่มีใครช่วยเราได้แล้วเหลือตัวคนเดียวล้วนๆเลยบารมีทั้งหลายที่เคยศึกษาอบรมฝึกฝนมาเนี่ยมาช่วยเรายกตัวอย่างนะทานบารมีดูถูกนะทานนบารมีกล้าสละกล้าสละได้ถึงชีวิตเนะ กล้าไหมกล้าสละชีวิตนั่งต่อไปนี่ตายแน่ๆเลยแล้วก็ไม่บรรลุอะไรด้วยแต่ตายแงนะ่แง่ะกล้าสละชีวิตนี้ไหมหรือยังหวงแหนชีวิตนี้อยู่เห็นไหมต้องฝึกนะฝึกฐานนะบารมีจนเข้มงวดเลยถึงขนาดกล้าสละตัวเองได้เลยนาทีสุดท้ายที่จะข้ามภพข้ามชาติมันถึงจะกล้าทิ้งขันติมีไหมขันติบารมีนะอดทนอดกลั้นต่อความทุกข์ที่ประดังขึ้นมาบีบคั้นจิต เหมือนภูเขาทั้งลูกถล่มลงมาทับนะไม่ทับเฉยๆนะหมุนๆด้วยนะบทบทบ ท, บทลงไปด้วยใครรู้จักโม่มั้งโม่สมัยโบราณเนี่ยบทบทอย่างนั้นเลยนะมีแต่ทุกทุกอนูเลยนมีขันติไหมที่จะสู้กับมันมีสัจจะไหมตั้งสัจจะแล้วะจะต้องเรียนรู้ความจริงของมันให้ได้แม้กระทั่งจะเสียชีวิตก็จะเรียนรู้ความจริงจะตามรู้กายรู้ใจนี้ต่อไปะจะต้องตายก็ไม่เป็นไรขอให้เห็นความจริงของกายของใจนี้เถอะ มีอธิษฐานบารมีไหมมุ่งมั่นไหมหรือว่าจะถดถอยตั้งใจแล้วว่าจะสู้ตายถึงเวลาความตายมารอต่อหน้าจะถอยหรือไม่ถอยน ม, มีปัญญาบารมีนะตามรู้ทุกอย่างเลยมีเนข่ขมมะบารมีนะยังจะติดใจพัวพันในความสุขทางโลกอยู่ไหมความสุขในตาหูจมูกลิ้นกายใจกล้าสลามไหมต่อไปเนี้ยถ้าถ้าไม่ตายนะถ้าตายไปก็ คือสูญเสียความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายไปหมดเลยถ้ารอดอยู่ก็รอดแบบคนบ้าเลยไม่สามารถเสพสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายต่อไปได้แล้วไม่รู้เรื่องแล้วสติแตกเนี่กล้าสละไหมมันเป็นเรื่องที่ต้องเสียสละอย่างสูงทั้งสิ้นเลยนะต้องฝึกนะงั้นถ้าจะข้ามพบข้ามชาติให้ได้ในชีวิตนี้ต้องภาคเหียนจริงๆอย่ามาทาเล่นๆทาหย่อยๆแย่ ๆ, ยๆอย่างมากก็ได้โสดาสกิทาคา ก็ต้องฝึกนะต้องฝึกฝึกตัวเองไว้คุณงามความดีทุกอย่างต้องทําแต่ทําแบบฉลาดนะไม่ทําแบบโง่ไม่ใช่ทําทานถาวายหนึ่งพันบาทขอให้ได้มรรคผลนิพพานนิพพานไม่ใช่นิพพานขอทานนะนิพพานขอเอาไม่ได้นะนิพพานต้องสู้เอาสละหนึ่งพันบาทหนึ่งร้อยบาทสละหนึ่งบาทเนี่ยสละกิเลสออกไปไหมต้องดูอย่างนี้นะใจอะใจเป็นไง ไม่ใช่ไปขายบ้านมาทำบุญนะโง่สุดเลยนะขายบ้านมาทำบุญในะตอนขายบ้านก็ปลื้มนะตอนเอาเงินไปทำบุญก็ปลื้มพอเสร็จแล้วไม่มีบ้านจะอยู่กลับมาสามีเตะซะอีกจิตใจห่อเหี่ยวกูศลชนิดนี้ไม่สมบูรณ์เลยกูศนชนิดนี้ไม่เบิกบานในสามการก่อนทาระหว่างทาแล้วหลังทํากูศนชนิดนี้กลับพร่องกระแพ่งถ้ากูศนชนิดนี้ให้ผลที่จะไปเกิดนะ จะเกิดเป็นคนพิการเพราะฉะนั้นะต้องฉลาดนะจะทําบุญไม่ใช่ทําแบบโอ้โหไรเดียงสาทําด้วยโลภะอยากโน่อนอยากนี่หรือทําแล้วเกิดโทสะทําแล้วกลุ้มใจเนะี่ยต้องรู้จักบุญที่ไม่เสียสตังค์เยอะกว่าบุญที่เสียสตังค์นะอย่างเราโมโหใครเราอาภัยได้เนะี่ยเป็นบุญนะเรามีความรู้คนนี้เขาไม่มีความรู้เราให้ความรู้เขาเป็นบุญนะ อย่างหมอรักษาคนไข้นะหมอส่วนมากงานเยอะใช่ไหมเห็นหน้าคนไข้มองหน้าปุ๊บสั่งยาและ้ะมีนะหลวงพ่อก็เห็นทาโรงพยาบาลมองหน้าปุ๊บ โ, โหหมอนนี้มันมีอภินญามองหน้าปุ๊บสั่งยาละ้วะสั่งสั่งังงคนไข้รับมามารอตั้งครึ่งวันนะเจอหมอนไม่ถึงนาทีนะยกมือไหว้หมอหมอก็ส่งใบสั่งยามาให้ไหว้อีกทีหนึ่งไปรอยายอีกชั่วโมง ความจริงแค่อธิบายให้ฟังเนี่ยนี่ทำมาทานแล้วนะให้ความรู้กับเขานะเข า, เขาต้องรักษาตัวยังไงอนะไรเงี้ยแต่ว่าเห็นใจหมอนะหมอทาไม่ค่อยไหวเรากเาควรค่ายเยอะถ้าทำได้แค่นี้ก็ฐานแล้วแค่นี้ก็เป็นฐานแล้วให้เขาเข้าใจเงินบุญอยู่รอบๆตัวเรานี่เองการตั้งใจฟังธรรมะเป็นบุญการแสดงธรรมะก็เป็นบุญนะ การช่วยเหลือกิจการที่เป็นประโยชน์เนี่ยอย่างพวกนี้ไปช่วยกันที่วัดอินจะไปช่วยอบรมกรรมฐานที่วัดอิ น, นก็เป็นบุญนะแต่ช่วยกันปล้นไม่เป็นบุญนะต้องช่วยดีๆเป็นไมบุญเยอะนะมีเยอะเอาวันนี้ได้แค่นี้นะหลวงพ่อมีเวลาขอคุยกับพระสิบนาทีห้ามโยมยุ่งกับหลวงพ่อเพราสิบโมงหลวงพ่อต้องไปละ